เนี่ยนะหิวที่จะดื่มวัตตะผู้ใดยังกระหายวัตตะหิวในวัตตะผู้นั้นก็ไม่พ้นจากวัตตะมันในช่วงเชา้านี้กุศลธรรมทั้งหลายที่เราได้เจริญนี้ก็จงเป็นไปเพื่อดับความหิวในวัตตะหรือแจ้งแทงตลอดอ ม, มะตะธรรมเป็นที่ดับแห่งวัตตะทุกคนทุกท่านช่วงเช้าก็อนุมโมทนาก่อนเช่นพานสังขานุสเตเนเนี่ยนะก็ทําให้เรารู้จักพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าดีขึ้นซึ่ง เราทั้งหลายถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็จะมีคุณธรรมอย่างที่เราสรรเสริญไปเมื่อกี้เนี่ยนะพระริยาสาวกทั้งหลายท่านมีคุณธรรมเช่นใดเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รับคุณธรรมเช่นนั้นเหมือนกับพระอริยาสาวกเหล่านั้นนะ มันเราพร้อมหรื อ, อยังที่จะเป็นผู้มีคุณธรรมดังที่เราสาธยายไปเมื่อกี้เจหมวยพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะไม่ลังเลเลยเหรอก็ดีแล้วสาธุก็ยังมีอีกนิดหน่อยอมาดูข้อความในวิสุทธิมรรคต่อเลยนะในหน้าสองร้อยสามสิบสี่ก็เรียนไปจนถึง ยานที่เรียกว่ามุนจิตุกรรมมยตายานยานะเหล่านี้เขามีชื่อว่าปฏิปทายานทัศนวิสุทธิเป็นเครื่องดำเนินเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพราะเครื่องดำเนินข้อปฏิบัติอย่างแท้จริงที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์อย่างไรเสียก็ไม่พ้นอนุปัสนาทั้งหลายเพราะว่าอนุปัสนาทั้งหลายเป็นข้อปฏิบัติที่ทาให้ถึงความ บริสุทธิ์เนี่ ย, ยคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้ก็คงไม่พ้นจากบริสุทธิ์จากราคะบริสุทธิ์จากโทสะและบริสุทธิ์จากโมาหะาผู้ที่รู้อ น, นิจจังอย่างถูกต้องจริงนั้นจะบริสุทธิ์จากโทสะผู้ที่รู้ทุกขังดีพร้อมจะบริสุทธิ์จากโลภะนะก็ถ้าถามว่าถ้ารู้ว่าเป็นทุกข์นี่จะเอาไหมก็ไม่เอาแล้วใช่ห ถ้ารู้จักอนัตตาอย่างดีพร้อมก็จักละโมหะเพราะันเจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตานุปัสสนาข้อปฏิบัติอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นอุปนิสัยให้สิ้นราคะโทสะและโมหะอันผู้ใดที่รู้อนิจจงแล้วก็ลดโทสะไม่ได้เลยแสดงว่ารู้ไม่จริงรู้ทุกขังแล้วก็ยังชอบตามเดิมก็แสดงว่ารู้ความทุกข์ไม่จริง ถ้ารู้อนัตตาแล้วก็ยังเขลาตามเดิมก็แสดงว่าไม่ใช่อนัตตา ท, ท, ที่แท้จริงงนั้นการรู้อันนีจังทุกขังอนัตตาอย่างถูกต้องแท้จริงนั้นจะต้องสิ้นราคะโทสะและโมหะดังนั้นปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิเนี่ยนะก็คืออนุปัสนาแต่ว่าอนุปัสนาเหล่านี้ยังเป็นโลกิยะอยู่ เพราะว่าอนุปัสนาสาอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตานุปัสนาที่บริบูรณ์ย่อมอย่างอะไรให้บริบูรณ์นิพิทานุปัสนาที่บริบูรณ์นิพิทานุปัสนากับพยตุปทานายานอาทีนวายานต่างกันไหมต่างกันโดยพยัญชนะแต่ความหมายอัตตะไม่มีความต่างกันเลยเพราะสิ่งใดน่ากลัวสิ่งนั้นก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่มีโทษ สิ่งใดที่มีโทษน่าพอใจไหมไม่น่าพอใจใช่ไหมพรันอณิทเอขอไปพยาตูปธานายานอาธีนวายานนิพิธายานไม่ต่างกันสิ่งใดน่าเบื่อหน่ายแสดงว่าสิ่งนั้นมีโทษทำไมเขาจึงมีโทษเพราะเขาน่ากลัว น, นะก็ถามกลับไปกลับมีกลับไปกลับมาอย่างนี้ก็นั่นแหละถูกต้องแล้วจริงหรือตานี้มีโทษจริงหรือ น่ากลัวจริงหรือน่าเบื่อหน่ายจริงหรือนะก็อันนี้นเรามาถามจริงๆอัธยาศัยของเราเนี่ยเห็นไหมว่าตาหูจมูกเลนกายใจเนี่ยน่ากลัวนะตาหูจมูกเ้นกายใจนี่มีโทษนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ ย, น, นะ น, ย, น, ยน่าเบื่อหน่ายนะชิงชังเลอะเกิ น, อ, นอึดอัดเอื่มระอาเลอะเกินที่จะต้องเห็นเบื่อที่จะต้องฟังเบื่อที่จะต้องรู้กลิ่นเบื่อที่จะต้องลิ้นรส เบื่อจะต้องพักพ่อนอีกแล้วไงนะเบืเ่อเลอะเกินที่จะต้องเกิดในสวรรค์ไงเมื่อไหร่เน้อจะได้แต่ในพระไตรปิฎกท่านว่าอย่างนั้นจริงๆนะอริยาสาวกไม่ยินดีแม้กรรมมคุณอันเป็นสวรรค์จะกล่าวไปใหญ่ถึงกรรมคุณอันเป็นของมนุษย์เล่าเพราะอะไรเพราะว่าก็คือได้ยาพิษถ้วยใหม่แค่นั้นแหนะไม่มีอะไรพิเศษอนะเพียงแต่ว่าเออยาพิษนี้ แหมดูแล้วมันรสไม่อร่อยเล ย, ยนนะฉะก็เอายาพิษใหม่ดีกว่าที่ปรุงแบบอร่อยๆขึ้นเพราะฉะนั้นในสุคติโลกสวรรค์ถามว่ามีพิษไหมมีถ้าไม่จึงมีพิษนะ่ะคิดหรือว่าอยู่ในสวรรค์เราจะเจริญกุศลธรรมยากแค่เป็นมนุษย์เนี่ยนะกามคุณอย่างนี้ก็ยังติดกันไม่รู้จะติดกันยังไงแล้วถ้าไปเจอลักษณะลักษณะสวรรค์ด้วย ทุกอย่างเป็นไปตามความปรารถนาะทุกอย่างเป็นไปตามต้องการคำว่าผิดหวังนี่น้อยมากคิดหรือว่าเราจะเบื่อหน่ายในสวรรค์เนี่ยนะเพลินจะลืมตายเลยแหละเชื่อเหอเนี่ยนะเพราถ้าไม่เพลินนั่ลืมลืมตายเนี่ยนะโอ้ยเราบรรลุ ก, กันไปนานแล้วแต่เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านั้นนี่นะ่าพอใจนะ่าปรารถนาะน่าเพลิดเพลินผู้ที่ เจริญอนุปัสนาสามที่บริบูรณ์ย่อมยังพยตูปทานญยานอาทีนวาียานและนิพิธายานให้บริบูรณ์ถ้ายานเหล่านี้บริบูรณ์ยานไหนจะบริบูรณ์ต่อมายานไหนก็มุนจิตตุกรรมมยตายานสังขารุปเปคขายานอะไรนะี่ปฏิสังขานุปัสนาญาณเนี่ยยานเหล่านี้ก็คือกลุ่มวิราคานุปัสสนานั่นเองเนี่ย ก็อนุปัสนาเจ็มีอะไรบ้างนะทวนนะหนึ่งอนิจจานุปัสนาสองทุกขานุปัสนาสอนัต тан ุปัสนาสี่นิพพานุปัสนาห้าวิราคานุปัสนาหนิโรธานุปัสน า, น า, นาสุดท้ายปฏิเนสขานุปัสนามันเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดวิราคานุปัสนาตัวเนี้กับมุลจิตตุกรรมเมตตาปฏิสังขาสังขารุเปกขายานเนี่ยไม่ต่างกัน เพราะว่าเป็นชื่อของอนุปัสสนาระดับสูงเพดัะนั้นคําว่าคลายกําหนัดเนี่ยนะเมื่อวิราคานุปัสสนาที่เรียกว่าคลายกําหนัดนั้นนะ่ะไม่ใช่ลักษณะแค่แค่ไะไเลิกชอบก็พอไม่ใช่มาดูข้อความเนี่ยนะบอกว่ามลจิตุกรรมมยตายานนั้นนะ่ะกับวิราคานุปัสสนาซึ่งมันเหมือนกันนั้นนะ่ะดังนั้นคําว่าคลายกําหนัดมันแปลว่าไม่เอาแล้วเน่ยนะ พูดแบบภาษาชาวบ้านอะก็บอกเข็ด จ, จนตายอย่างเงี้ยเข็ดแล้วขันท่าอย่างเงี้ยหรือว่าข้อเจ็ดร้อยห้าสิบหกล่าวว่าก็เมื่อกุลบุตรผู้นี้เบื่อหน่ายอยู่เอือมระอาอยู่ไม่อภิรมยินดีอยู่ด้วยนิพพิทายานี้จิตย่อมไม่ติดไม่คล้องไม่ผูกพันแม้ในสังขารอย่างหนึ่งในบรรดาสังขารทั้งหลายที่มีความแตกทำลายไม่รู้จะยินดีทาไมในสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็น อนัตตาเพราะฉะนั้นก็สอดใายก็มีนะเขาบอกว่าเมื่อจิตเนี่ยตรึกถึงสกายะเนี่ยจิตไม่น้อมไปอนนะั้นเามาเขาว่าคิดเรื่องอะไรไม่เห็นหน้าเพลิดเพลินสักอย่างไม่มีอะไรหน้าสนุกสักอย่างหนึ่งไม่มีอะไรหน้าติดใจแม้แต่อย่างหนึ่งก็เหมือนกับอะไรนะโยนความคิดเข้าไปในหลุมฐานเพลิงเนี่ยถามว่ามันจะรีบย้อนกลับมาไหมก็รีบหดกลับมาฉันใด ก็มองว่าพบสามกำเนิดสี่คติหวิญญาณทิฏิเ็สัตตาวาสเก้าก็ย่อมเป็นธรรมชาติที่ปรารถนาจะพ้นจริงๆคือใครจะออกจากสังขารทั้งปวงไม่เอาแล้วขอให้เป็นมีตาหูจมูกลิ้นกายใจในพบใดก็ไม่เอาแล้ะเบื่อเต็มทีแล้วที่จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถามว่าข้อนี้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนอย่างสัตว์ทั้งหลายมี สัตว์เป็นต้นอย่างนี้คือปลาที่ติดอยู่ในตะข่ายปลาที่ติดในตะข่ายนะถ้าใครเคยดักตะข่ายนี่จะรู้ว่าปลาเนี่ยถ้ามันมันฉลาดสักหน่อยเนี่ยมันจะหลุดจากตะข่ายแต่เนื่องจากมันไม่ฉลาดคือคือมันจะวิ่งไปเร็วใช่ไหมถ้าถ้าปลามันจะค่อยๆไปแล้วมันไปติดค่อยๆไปนิดหนึ่งแล้วมันรู้ว่ามันติดแล้วมันถอยคืนไม่เป็นไรแต่เนี้ยความที่มันชอบเล่น่นะปลาก็ชอบเล่นเหมือนกัน เล่นมันก็วิ่งไปเต็มที่เลยนะพุ่งจู่ๆเข้าไปพอพุ่งเข้าไปเต็มที่ปั๊บเนี่ยนะมันรู้ว่ามันโดนตะข่ายปั๊บมันดิ้นเลยตวัดมันดิ้นอยากจะหลุดเต็มทีนะพอดิ้นปั๊บมันยิ่งพันยิ่งดิ้นยิ่งพันยิ่งดิ้นยิ่งพันในที่สุดก็เดินไม่ได้ก็ตายคาที่ตรงนั้นนั่นแหละแต่ถ้าปลาตัวใดนะมันมันมันค่อยๆเดินทางแบบสำรวมหน่อยมันไปชนซึ้งนิดหนึ่งแล้วมันถ้ามันถอนตัวออกหน่อยนะมันถอยนิดหนึ่งมันก็หลุดแหละแต่ว่ามันไม่เป็นนนอย่างั้ นี่ถ้ามันติดรู้ว่าติดปั๊บเนี่ยมันก็ดิ้นเต็มที่ยิ่งดิ้นยิ่งติดอ่ะนะเขาบอกว่าขณะที่ยิ่งดิ้นยิ่งติดดิ้นเพื่ออะไรก็ดิ้นเพื่อจะหลุดนั่นแหละมันผู้ที่เจริญวิปัสนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี่ยก็ดิ้นรนที่จะออกจากสังขารปรารถนาที่จะพ้นจากสังขารเหมือนกบที่อยู่ในปากงูเนี่ยกบในปากงูเนี่ยสมมติว่ากบกบมกันกําลังเพลินเพอยู่ใช่ไหมงูก็ไป ไปกัดกัดแล้วมันก็จะเกลื่นเนี่ยนะมันก็จะเกลื่นมันเกลื่นจากทางหัวก็ได้จากทางเท้าก็ได้มันก็ค่อยเกลื่นเกลือนเกลือนเกลือนแต่ทีนี้กบที่ในกบที่กําลังถูกเกลือนเช่นถูกเกลือนจากทางเท้าเข้าไปเนี่ยมันจะร้องออ๊ะมันร้องไม่ดังแบบแบบนี้หรอกมันร้องแบบหอ้ยหวนพอสมควรนี่มันเจ็บปวดอะแล้วก็ขระดาที่กําลังดูกําลังกบเกลือนเนี่ยนะกบมันอยากจะพ้นมาก แล้วงูเหล่านี้นะถ้าเราไปช่วยมันไม่ใช่ว่ามันจะมันจะคายง่ายๆนะงูที่มันกินกบนี่ไม่ใช่มันจะปล่อยง่ายๆมันจะมุดมันจะหนีคาบหนีทิ้งไปอย่างนั้นแหละแต่ว่ากบที่อยู่ในปากงูเนี่ยมันดิ้นรนจริงๆที่จะหลุดนะดิ้นมากที่ที่จะหลุดแต่ว่าไม่รู้จะดิ้นยังไงแล้วเพราะมันถูกเกลือนไปเหมือนกับเราเนี่ยถูกเกลือนไปเหลือแต่หัวโผลออกมาให้ร้องแค่นั้นเองก็ได้แต่อาปากร้องอยากจะพ้นเหลือเกิน เหมือนไก่ป่าที่ถูกขังเอาไว้ในกรงธรรมชาติของไก่ป่านเนี่ยไม่ชอบอยู่บ้านเนี่ยนะมันมันรังเกียจบ้านมากมันอยู่บ้านไม่ได้เนื้อที่ติดอยู่ในอํานาจของบ่วงอันเหนียวแน่นก็คือเหมือนกับคนถูกโซ่ล่ามเท้าเนี่ยนะดิ้นทีหนึ่งก็เจ็บปวดทีหนึ่งก็อยากจะพ้นเป็นทีเหมือนกับงูที่อยู่ในเงื้อมือของหมองูเนี่ย งูที่ถูกหมองูจับมาใหม่ๆเนี่ยมันไม่ยอมหรอกมันอยากจะหนีเต็มที่เลยเหมือนช้างที่ตกลงไปในหล่มเล็ดเนี่ยนะก็ไม่ต้องช้างหรอกแค่เราตกลงไปในโคลนจมมิดเนี่ยนะที่ท่อน้ําเสียเนี่ยนะที่มันโคลนเต็มที่จะจมถึงคอเนี่ยเอาไหมมันไม่เอาเนาะเหมือนพญานาคที่อยู่ในปากของพญาครุดเนี่ยนะนาคที่อยู่ในปากของครุดเนี่ยนะก็เหมือนกับนกเคยเห็นนกอินทรีไหมมันบินแล้วมันจับหัวงูกับหางงูเนี่ย แล้วมันจับก็บินไปถ้าถ้าท่านนกที่ฉลาดเนี่ยมันจะเท้าข้างหนึ่งจับทางหงสเท้าข้างหนึ่งจับทางหางแล้วมันก็จิกท้องจิกท้องกินเปลวมันขณะที่บินไปนั่นแหละทีนี้นถามว่าถ้ากําลังแบบถูกนกนี่มันหิ้วปีกขึ้นมาเนี่ยงูจะหนีไหมก็คือจําลองออกมางูหน้าก็คืองูนั่นแหละ น, น, นกครุฑก็คือนกอะนะแตะก่กลุเดียวกัน ถ้าจนที่พระราหูอมเข้าไปในปากอันนี้หมายถึงจันเท พ, พบุตรเนี่ยนะถูกไอ้ระราหูเนี่ยเขาเป็นอสูนก็ราหูเนี่ยตัวใหญ่มากจะกลืนทั้งวิมารนนะ่แหละโอ้โหตัวสั่นเลยบุรุษที่ถูกศัตรูรุมล้อมนนะี่ะใครเคยไปมีปัญหาโอ้ถูกเขาอะไรนะีพวกกลมไวรุ่นเนี่เห็นชัดเลยก็คือพวกที่ถือไม้เนี่ยดักหน้าดักหลังไปหมดเนี่ยทำยังไงจะหนีรอดเนี่ยนะ ก็ย่อมเป็นผู้ใคร่จะพน้นใคร่จะหลุดไปจากสิ่งที่ติดอยู่ในที่นั้นๆพูดถึงไ อ, ไอ้โบลุษที่ถูกรุมล้อมเนี่ยนะสมัยเด็กๆจาได้อยู่ครั้งหนึ่งโอ้เราไปขโมยโอ้อยอ้อยอ้ยอ้ยอยสวนป่าเนี่ยนะมันไม่ได้น่ากินเลยแข็งโปกเลยนะแต่ว่าเราก็อยากกินอ้อยมากเลยไปขโมยมาได้อันหนึ่งขณะที่กําลังกินอยู่สบายๆนะเจ้าหน้าที่รักษาป่าเข้ามาเฮ้ i, ยยุตแบบโอ้โหเราเนี่ยหนีเหนื่อยแทบตายแต่ล้วก็ถูกจับไป เอาไปฟ้องยายบอกนี่หลานของเธอเนี่ยไปขโมอยอ้อยวังงั้นโอ้ยตั้งแต่วันนั้นจําได้อยจนถึงทุกวันเลยนะเข็ดจนตายก็ว่าตอนนั้นมันกลัวจริงๆเลตอนที่วิ่งหนีนะวิ่งหนีนี่กลัวสุดๆเลยนะทํายังไงจะได้ให้พ้นจากด้วยนะนะเขาไม่ได้เอาไปเข็นไปฆ่าอะไรหรอกแต่ว่าภาษาเด็กๆนี่กลัวมากๆเลยมันเมื่อใดเนอที่จะเห็นว่าสังขาร น, นี่มันน่ากลัวอย่างนั้นเนี่ยนะมันต้องการหนีโดยส่วนเดียว จิตของพระโยคีโยคีคือผู้ที่อบรมด้วยสมถาวิปั ส, สนาผู้ที่อบรมด้วยอนุปั ส, สนาทั้งหลายก็ฉันนั้นก็ย่อมเป็นจิตที่ใคร่จะพ้นใคร่จะสลัดออกไปจากสังขารทั้งปวงฉันนั้นคือไม่มีสังขารไหนหน้าเกาะอยู่เลยแม้แต่สังขารเดียว เมื่อเป็นอย่างนั้นมูลจิตตุกรร ม, มยมตตาญาณจึงย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคาวจรนั้นผู้ปราศจากความอาลัยในสังขารทั้งปวงเป็นผู้ใคร่จะพ้นจากสังขารทั้งปวงด้วยประการชนิแลคือนึกตามยากเนี่ยนะที่จะนึกถึงสวรรค์ก็บอกอุย้ยร้อนนึกถึงพรหมโลกก็ร้อนนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายนึกถึงทวารทุกทวารก็ร้อนหมดเลยต้องการสลัดโดยส่วนเดียวเนี่ยนะ เม่อใดเนาะเราจะมีปัญญาแบบนั้นบ้างผู้ที่ปรารถนาขอให้ตัวเองมีปัญญาก็ปรารถนาอย่างนั้นนั่นแหละปรารถนาให้มีปัญญาปรารบสังขารใดก็มองว่าของห้อนเนี่ยมัน้อนจริงๆเหรอฮอนเพราะอะไรเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชารามรณโะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาต์แม่นยำเลยนะ นึกถึงอะไรก็ช่างเถอะนึกถึงดอกไม้สักดอกหนึ่งก็ บ, บอกร้อนนะร้อนพระไฟคือราคะร้อนพระไฟคือโทสะร้อนพระไฟคือโมหะแล้วก็พระร้อนเพราะเป็นที่ตั้งแห่งชาติชารามรณโะโศกปริเทวะทุกโธรรมนัตและอุปายาตเมื่อเช้าที่ถามว่ามองเห็นอะไรเห็นศีลด้วยไหมอตอนนี้ก็เพิ่มใหม่อีกบอกมองเห็นอารมณ์อะไรเนี่ยมองเห็นชาติชารามรณโะโศกปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตในสิ่งเหล่านั้นด้วยไหม นึกถึงเพื่อนก็นึกถึงชาติชารามรณะเป็นต้นด้วยไหมนึกถึงอะไรก็ช่างเถอะที่เรานึกถึงหรือสิ่งนั้นไม่มีวิญญาณครองก็นึกว่าสิ่งนั้นก็คืออารมณ์ของราคะโทสะโมหะเป็นเป็นประตูที่ทำให้ไปเกิดคือชาติชารามรณะอีกอยู่ดีปรารภสังขารใดๆก็จิตแล่นไปในอนุปัสนาจ็ดอย่างดีหรือจิตนี่เล่นไปใน อนุปัสนาทั้งหลายมีชาติชารามรณะตามความเป็นจริงแล้วผู้ใดตามเห็นโดยชาติทุกข์ชาราทุกผู้นั้นเนี่ยทุกขานุปัสนาดีผู้ใดที่ตามเห็นโดยมรณะเรียกว่าอนิจจานุปัสนาดีถ้าผู้ใดเห็นชาติชารามรณะโดยที่ไม่มีใครมีอานาจในสิ่งนั้นอย่างแท้จริงนะที่ห้ามได้ก็อนัตตานุปัสนาเป็นอย่างดีทั้นการคิดถึงชาติชารามรณะเนี่ย อย่าไปคิดว่าไม่ใช่เป็นการเจริญวิปัสสนานะนั่นแหละคือวิปัสสนานั่นแหละคือการอบรมปัญญาเพราะปัญญาทั้งหลายก็คือการตามเห็นว่าสิ่งนั้นคือวัตถุแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตเมื่อใดที่เราดำรงอยู่อย่างนี้จริงๆได้ก็ใช้ได้ถ้าดูตามโลกาิโรทสูตรเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็สูตรอื่นๆในยะเดียวกันที่อยู่ใน สั่งยุตินิกายนี่เป็นหลายๆ10 ส, สูตรอะที่พูดถึงว่าแม้กระทั่งการลืมตาเนี่ยทุกครั้งเนี่ยก็คือนำมาซึ่งชาติชารามรณโะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตได้ยินเสียงก็คือที่มาแห่งชาติชารามรณโะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตมีแต่กองทุกขที่เป็นไปในทวารตามีแต่กองทุกที่เป็นไปในทวารหูมีแต่กองทุกที่เป็นไปในทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและ ทวารใจคำว่าทุกในที่นี้ไม่ได้แปลว่าโทสะแต่หมายถึงความที่สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงจะบอกว่าสิ่งนั้นเป็นความสุขได้อย่างไรไนะถึงสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงแล้วจะบอกหรือว่าสุขเวทนาเป็นสุขเพราะตัวสุขเวทนาเองก็ยังไม่เที่ยงไม่มีผู้ใดมีอำนาจอย่างในสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นก็ต้องการจะออกจากสัพเพสังขารโดยประการทั้งปวงคือคบไม่ได้อยู่ไม่ได้นี่นะทีนี้เมื่อเราจะออกจริงๆแล้วออกพรดเลยทีเดียวได้ไหมกระชากออกมาแบบภาพยนตร์ไหมไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องมาหาวิธีปลดวิธีเปลื้องปฏิสังขานุปัสสนาญาณ น, นั้นก็เป็นการพิจารณาเพื่อหาทางปลดเปลื้องออก พระโยคาวจรจอนั้นเป็นผู้ต้องการจะพ้นจากสังขารทั้งหลายที่มีแต่ความแตกทำลายไปก็สังขารทุกๆ ท, ทุกพบะนะก็มีแต่แตกทำลายไปใช่ไหมคือเกิดมาชาติใดที่พ้นจากความตายไม่มีที่สุดแห่งการเกิดก็คือความตายเพราะฉะนั้นถ้ายังยินดีในการเกิดก็เท่ากับยินดีในการตายเมื่อสังขารในภูมิทั้งปวงนี่นมาซึ้งความตายก็เห็นว่าพบสามกำเนิดสี่คติห้าวิ ญ, ญญาณทิฏิเจ็ดสัตตาวาสเก้า ก็เป็นไปกับความตาอย่างนี้ก็เลยกําหนดสังขารเหล่านั้นนั่นแหละอีกยกขึ้นสู่อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะด้วยปฏิสังขานุปัสสนาเพื่อจะพ้นไปจากสังขารทั้งปวงการปฏิบัติหัวใจหลักๆเนี่ยนะยังไงก็ไม่พ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่อานุภาพของปัญญาที่เห็นโดยอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละทําให้เกิดความเบื่อหน่ายทําให้เกิดความไข่จะพ้น นะเพราะว่าใครจะพ้นในสิ่งที่ไม่เที่ยงใครจะพ้นจากสิ่งที่เป็นทุกข์ใครจะพ้นจากสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยนะเปรียบเหมือนว่าเรากลืนก้อนก้อนเหล็กที่มันร้อนร้อนร้อนด้วยขมด้วยเป็นน้ำกรดด้วยถ้าเรารู้จริงๆเราอยากอมต่อไปไหมแม้แต่นาทีเดียวบอกไม่ทำไมอ่ะเพราะมันมีภัยฉันใดเมื่อใดที่เราเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะก็ดี โบราณนี่บางทีเขาแปลดีนะเขาแปลว่าวิราคะแปลว่าสำรอกออกก็คือขย้อนออกอาเจียนออกคายออกนั่นเองบอกว่าเกรินไว้ไม่ไหวแล้วเนี่ยนะมันร้อนนนะพระโยคาวจรนั้นย่อมเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงทําไมไม่เที่ยงล่ะเหตุที่เขาไม่เที่ยงก็เพราะอ่า กันนะเขาแปลว่าไงโดยความไม่เป็นสิ่งที่มีในที่สุดแปลภาษาไทยไทยบอกว่าเพราะมันมีที่สุดนะไม่รู้ว่าแปลให้มันเป็นภาษาไทยกันแล้วกันเอามาก็แปลไม่ค่อยออกเหมือนกันคื อ, ค, อคือมันยังไงมันไม่เลยที่สุดหรอกที่จบมันคือมันมีที่สุดเหมือนแบบคนไทยคุ้นเคยก็คืองานเลี้ยงอไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีเลือกราไม่มีการประชุมใดที่ไม่เลิกไม่มีสังขารใดที่จะยั่งยืน อันนะั้นก็คือสรุปว่ามันมีที่จบมันจบเป็นอันนะั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จบไม่เป็นแม้กระทั่งเนวะสัญญานาะสัญญายตนาก็ยังจบเป็น ไ, ไม่เลยแปดหมื่นสี่พันกลับไปได้หรอกถ้าเทียบกับสังสารวัตอันยืดยาวแล้วก็ตาวะกาลิกะโตตาวิตาวะกาลิกะก็คือชั่วคราวเนี่ยนะชั่วคราวก็คือมีอายุการเพียงเท่านั้นแลลวมันก็เท่านั้นแล อย่างอะไรนะธรรมชาติของฟองน้ํามันก็เท่านั้นแหละอนะ่ะเนาะเท่านั้นคืออะไรก็มันเท่านั้นจริงๆมันก็มีอายุอยู่เหมือนฟองน้ําฟองน้ำไม่ใช่ฟองน้ําแบบเบาะนั่งอ่ะนะฟองน้ําแบบตอมน้ําอ่ะกลุ่มนั้นอะ่ะมันก็อายุเท่านั้นแหละแล้วก็โดยกําหนดตัดความเกิดและความเสื่อมเนี่ยนะคือที่จบของมันก็เริ่มต้นมันก็เจาะเริ่มต้นคือการเกิดที่สุดคือความแตกทําลายคือความตายไป อย่างเริ่มต้นของตาก็าคือการเกิดที่สุดของตาก็คือการแตกทำลายเริ่มต้นของหูก็การเกิดที่สุดก็แตกทำลายไปเริ่มต้นของชีวิตคือการเกิดที่สุดของชีวิตก็คือความตายมันก็มีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความตายเป็นที่สุดกำหนดฉับตัดไว้เลยว่าแค่เกิดถึงตายก็มีอยู่เท่านั้นจริงๆต่อไปปโลกาโต เป็นสิ่งที่มีอันพังทําลายไปก็ปะโลกะโลกะโลกะก็คือสลายอนะเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องพังเป็นสิ่งที่จะต้องแตกสลายขนี้กะโตเป็นของมีชั่วขณะชั่วขณะนะคือขณะหนึ่งเท่านั้นนะไอ้คําว่าชั่วขณะนี่ขณะไหนก็ขณะที่ดํารงชีวิตอยู่มันก็มีอยู่เท่านั้นจริงๆแล้วก็หกบอกว่า จรโตโดยเป็นสิ่งวันไหวเจลาจนนะ่ะนะเจลาจนก็วันไหวใช่ไหมเจรโตก็มาจากคำว่าภาษาไทยเรานิยมทับสาว์ว่าจลาจนนะี่นะเกิดเหตุการณ์จลาจนขึ้นสังขารทุกสังขา น, นี่มันเจราจนอย่างนั้นแหละแล้วก็ปะพังคู่โตโดยเป็นสิ่งที่มีความแตกสลายไปอัน้อททวโตเป็นของไม่ยั่งยืน วิปริณามะธรรมโตโดยเป็นสิ่งที่แปรปรวนไปเป็นธรรมดาอสสารกโตเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารวิภวะโตภวะนี้แปลว่าความเจริญใช่ไหมวิภวะก็เลยมีแต่ความเสื่อมสังคตะโตโดยเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมรณธรรมโตติเป็นนะนะ ก็โดยเป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอันนี้ท่านยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะที่บอกว่ามีที่สุดมีการเพียงเท่านั้นกับตัดโดยความเกิดและความเสื่อมพังทำลายชั่วขณะวันไว้แตกสลายไม่ยั่งยืนแปรปรวนไม่มีแกนสารมีแต่ความเสื่อมเป็นของที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นที่สุดมันก็คือความตายเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยการพิจารณาอย่างนี้ทาให้อนิจจานุปัสสนาเนี่ยหนักแน่นมั่นคง ปลาลบสังขารใดๆก็มีแต่อย่างนี้แหละก็มีแต่ว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือไม่มีสาระมีแต่ความเสื่อมเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยท้ายที่สุดก็ตายจนได้ตายจนได้พั้นก็คือผู้ใดเพลิดเพลินในสิ่งนี้ก็คือเพลิดเพลินสิ่งที่มีความตายเนี่ยนะส่วนที่เป็นทุกขานุปัสสนาเนี่ยนะตอกย้ําให้เห็นถึงความเป็นทุกข์ของสังขารทั้งหลายเป็นยังไงก็เช่น บีบขั้นเนืองๆเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์มีโรคเป็นฝีเป็นลูกสอนเป็นของชั่วร้ายเป็นของป่วยไข้เป็นจันไรอุบาทหน้ากลัวขัดข้องไม่มีที่ต้านทานหลีกเล้นก็ไม่ได้ไม่มีที่พึ่งเป็นโทษเป็นมูลแห่งความชั่วเป็นเหมือนเพชฌฆาตเหมือนผู้ฆ่าเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเหยื่อของมารเป็นของที่มีความเกิดแก่ป่วยตาย เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกเป็นที่ตั้งแห่งความคร่ำครวญเป็นที่ตั้งแห่งความลําบากใจเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองด้วยอํานาจตันหาทุจริตและทิฏฐิเนี่ยนีเศร้ามองด้วยอํานาจตันหาทิฏฐิและทุจริตถามหาดูเถอว่าสังขารใดที่จะพ้นอารมณ์แห่งตันหาสังขารใดพ้นอารมณ์ของทุจริตสังขารใดเป็นพ้นจากทิฏฐิได้ไหมก็ยากมันก็เห็นภายในสับพาสังขารโดย ประการทั้งปวงว่าสังขารเหล่านี้เลวเหลือทนเหมือนทนได้นนยากกับเลวเหลือทนไม่ต่างกันไหมทนไม่ได้แล้วก็แสดงว่าสิ่งนั้นมันเลวเหลือทนอนะผู้มีปัญญานะเขาว่างั้นแหละบอกอุย้ยสังขาร น, นี่มันเลวเหลือจะทนจริงๆเลยเนยะก็เลยก็เลวเหลือทนนี่แหละเขาเลยมาแปลว่าทนได้ยากทนได้ยากแต่แสดงว่าเลวเหลือทนอย่างเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เนี่ย อะไรมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์กายและทุกข์ใจหายากนะในที่สุดสังขารทุกชนิดก็นํามาซึ่งความทุกข์กายและความเสียใจสังขารทั้งหลายนี่แหละคือตัวโรคเนี่ยนะโรคาโตะตัวโรคเลยแหละเชื่อเธอไล่ตรงไหนบ้างอ่ะนะเช่นจักขุโรโคโซตะโรโคคาณาโรโคมุขะโรโคเนี่ยนะไล่ไปโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคปากโรคฟันโรคปวดศีรษะโรคคอถามหาในร่างกายตัวไหนไม่เป็นโรคได้บ้างนะ เป็นโรคด้วยแล้วก็เป็นเชื้อโรคด้วยอย่างเงี้ยคนไข่บางคนนี่ก็เชื้อโรคทั้งตัวหมดเลยใช่ไหมแพร่ไปหาผู้ใดนี่ก็โรคเนี่ยลามไปหมดเลยแล้วก็เป็นเหมือนกับฝีฝีนี่เป็นยังไงถ้าฝีนะถ้าสกิดออกมาปั๊บเนี่ยน้ำหนองก็จะไหลออกมาฉันใดร่างกายของเราเป็นเหมือนฝีสดนี่แหละมันก็พร้อมที่อะไรก็ตามพร้อมที่จะทะลักออกมาจากกายแล้วก็เป็นฝีได้ทุกแห่งในร่างกายร่างกายนี้เป็นลูกศรมันเสียบแทงและเกินไหม ใครเคยจุกเสียดบ้างอันนั้นอ่ะมันเสียบแทงแบบนั้นแหละอะไรที่ไหนมันมันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความจุกความเสียดในร่างกายหายากในขณะเดียวกันร่างกายเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกเป็นที่ตั้งแห่งความเสียดแทงทางจิตใจแล้วก็ชั่วร้ายหรือไม่สมมุตินั้นไอ้โลกเนี้ยที่บอกว่าเร็วเร็วเร็วร็วเร็ ว, ร ว, รวมากถ้าไม่มีกายเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งนั้นจะเร็วไหม ถ้าไม่มีขันอายตนะไปรองรับเกี่ยวกับอยู่แถวๆนั้นนะสิ่งนั้นมันจะเลวไหมสมมติว่าไฟนรกมันร้อนแรงเหลือเกินถ้าไม่เสนอตัวไปให้ถูกเผาเนี่ยมันจะเผ า, าเราไหมไม่เนี่ยนะอย่างลูกปืนบอกโอ้ยเสียหายมากถ้าเราเอาไม่เอาสรีระไปรองรับมันจะเลวไหมไม่เลวเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เลวจริงๆก็คือนั่นแหละสองกระจกแล้วจะเห็นก็ป่วยไข้เนี่ยนะป่วยไข้ป่วยตรงไหนป่วยไม่เป็นบ้าง แต่จังไรนี่ทําใจยากเหลือเกินเนาะที่จะรับได้เพราถ้าไม่มีกายเหล่านี้นะความจังไรทั้งหลายจากมีไม้มาจากบาลีเขาว่าอีติโตเนี่ยมนะันจังไรามากอีติโตอย่างสับพีติโยวิวัชันโตอะไรเนะยแปลว่าสับพีสับพระนะสับพระจังไรทั้งปวงให้มันหายไปให้หมดเลยนะคําว่าสับพีติโยวิวัชันโตที่พระให้พรนะนะ่ะ ขอให้หมดจังไรหมดอันตรายก็แสดงว่าให้พ้นขันท่าอายตนสะสัทีเนอึอย่าเลพ้นทุกสักทีอุปัทวะโตนี่แปลเป็นไทยๆหน่อยก็อุบาทเนี่ยนะตัวอุบาทเกิดขึ้นก็ก็กายของเราเนี่ยมันอะไรนะถ้าตอนที่เราเป็นๆ เ, เราก็ไม่เรียกว่าตัวเราอุบาทนะแต่ถ้าหากว่ามันหลุดออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยนะตัดชิ้นใดส่งไปให้ใครเนี่ยสิ่งนั้นเราจะเรียกว่าดีไหมไม่ดีนะเว้นแต่ของพระพุทธเจ้า ที่คนยอมรับเดี๋ยวจะเอาไปสร้างพระเจดีย์ไว้ครับถ้าเป็นของคนทั่วไปเนอะโอ้ยรีบ อ, อุบาทจริงๆอ่ะ น, นะด้วยความเป็นของน่ากลัวน่ากลัวอ่ะนะ ก, ก็ ก, ก, ก็ก็มีโยมคนหนึ่งบอกโอ๊ยอยู่บ้านไม่ได้กลัวผีผีใครบอกผีพ่อเขานั่นแห ล, ละตอนตายก็รักกัชอบกันดีนะพอพ่อตายปั๊บนี่อยู่บ้านไม่ได้แล้วกลัวมากๆแสดงว่าโอ้ตายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยถามว่าจะทําใจได้ไหมคืนนั้นนอนไม่หลับเลยนะ ก็กลัวมากมากเลยแหละถ้าเป็นเนี่ยมันน่ากลัวอย่างนั้นแหละนะนั้นแสดงว่าถ้ามีผีตัวเองมาหลอกตัวเองเนี่ยถามว่าเราจะกลัวไหมจะคิดอย่างไรหนึ่งอันนะกลัวแย่เลยนะเพะฉะั้นขันท่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวแล้วก็เป็นของที่ขัดข้องขัดข้องมาจากคำว่าอุปสรรคกันนะเป็นของที่ขัดข้องมันเต็มไปด้วยอุปสรรคจริงๆเลยนะไอไอชีวิตของเราเนี่ ย, ยคิดดูนะ การดำรงชีวิตยอยู่เนี่ยดำรงอยู่ด้วยความราบเรื่นหรือเต็มไปด้วยอุปสรรคจริงๆแล้วก็มีแต่อุปสรรคใช่ไหมขัดข้องไปหมดทำอะไร